ของคนโบราณซึ่งเข้าใจง่ายแล้วก็จําได้ง่ายด้วยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจามันเป็นข้อเตือนใจที่ดีนะเพราะว่ามิตรเนี่ยหรือเพื่อนเนี่ยจะผิดใจกันจะทะเลาะ ก, กันขัดแย้งกันก็เพราะวาจานี่แหละคือคำพูด ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนคู่ชีวิตสามีภรรยาหรือว่าแม้กระทั่งมิตรในวัดจะทะเลาะ ก, กันหรือสร้างความทุกข์ให้กับกนนันก็เพราะวาจานี่แหละแต่เวลาอยู่คนเดียวสิ่งที่ต้องระวังก็คือความคิด เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ทุกข์พาะความคิด น, นะนะแล้วคนเดี่ยวนี้เนี่ยทุกข์พาะความคิดมากทีเดียวเชนเครียดรีตกกังวลหนัก อ, อกหนักใจเศร้าอะไรอาวรมันก็ล้วนแต่ เกิดจากความคิดนะถ้าเราไม่คิดถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็ไม่เศร้าถ้าเราไม่ได้คิดถึงการกระทาและคำพูดของใครบางคนเราก็ไม่โกรธแค้นถ้าเราไม่คิดถึงความผิดพลาดในอดีตเราก็ไม่รู้สึกผิดติดค้างใจ ถ้าเราไม่ได้คิดถึงปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าเราก็ไม่มีความวิตกหรือถ้าเราไม่คิดถึงปัญหาที่ปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ไม่เกิดความกังวลถ้าเราไม่นึกถึงอันตรายเช่นคนร้ายหรือผีสาง ในยามค่ําคืนเราก็ไม่เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยนะว่าความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยมันก็เพราะความคิดนี่แหละและความคิดเหล่านี้มันมักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราอยู่คนเดียวเวลาเราอยู่กับเพื่อนมันก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดเรื่องราวเหล่านั้น หรือว่าเวลาเรากำลังดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวห้างมันก็ใจก็ไม่ไหลลอยไปถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตหรือสิ่งที่เป็นปัญหาในอ น, นาคตเว้นแต่ว่าเห็นของชอบแล้วไม่มีเงินซื้อหรือเงินไม่พออันนี้จึงค่อยรู้สึกเครียดเป็นมหาเฉพาะหน้า คนเราเนี่ยเดือนนี้มีความเครียดมีความวิตรกกังวลสูงมากเนี่ยเพราะว่ามันปล่อยให้ความคิดเนี่ยเล่นงานโดยเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวคนเดือนนี้ก็เลยไม่ค่อยชอบอยากอยู่คนเดียวเท่าไหร่แต่เดือนนี้เรามีเหตุที่ต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าไปเช่าหออยู่ หรือไม่ก็แยกเรือนจากพ่อแม่เพราะคนสมัยนี้ชอบชอบอิสระแล้วบางครั้งเนีมันก็ต้องอยู่คนเดียวเพราะสถานการณ์บีบบังคับให้จำยอมเช่นช่วงโควิดเนี่ยล็อกดาวน์ปิดประเทศปิดเมืองหรือว่าให้ทำงานที่บ้าน พอไม่มีงานทำเนี่ยมันก็เคว้งพอเคว้งเข้าใจมันก็ได้โอกาสคิดโน่นคิดนี่คนทุกวันนี้เนี่ยเป็นทุกข์จิตไม่สงบเนี่ยเพราะความคิดทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่เพราะเสียงดังจากข้างนอกมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าผู้คนรอบข้างนะผู้เสียงดัง ก่ปัญหาอันก็อาจจะมีส่วนอยู่นะแต่ว่าไอ้ที่ทุกข์มากๆเนี่ยมันเป็นเพราะความคิดคนท่วันนี่ต้องการความสงบไม่ใช่ไม่ใช่สงบเพราะไม่มีเสียงดังนะแต่สงบเพราะว่าไม่มีความคิดรบกวนและเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามหาทางที่จะควบคุมความคิด ควบคุมจิตไม่ให้คิดนั่นคิดนี่หลายคนมาวัดนะมาปฏิบัติก็เพราะอยากจะควบคุมความคิดหรือจิตใจไม่ให้มันเพ่นพ่านให้มันอยู่นิ่งๆให้มันอยู่กับที่กล่าวคือว่าคุมไม่ให้จิตเนี่ยมันไปโน่นไปนี่ แต่ว่ามันคุมยากนะจิตหรือใจเนี่ยเพราะมันชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางหลายคนก็มีความทุกข์มากนะกับการบังคับจิตไม่ให้ไปนั่นไปนี่เวลามาปฏิบัติก็พยายามที่จะบังคับจิตให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันไปอาจจะด้วยการเพ่งจิตให้มันอยู่ที่เท้าอยู่ที่ลมหายใจ หรือว่าให้มันอยู่คำบริกรรมเช่นพุโทโธหรือว่าตัวเลขหนึ่งสองสนับไปถึง10นให้ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวร้อยรัดจิตไม่ให้เพ่นผ่านไม่ให้ไปที่โน้นไปที่นี่แล้วเราคิดว่าจะถามนี้เนี่ยจิตมันจะสงบได้หลายคนเนี่ยปรารถนาความสงบ ด้วยการที่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นหรือสงบเพราะว่าบังคับจิตให้อยู่กับที่ทั้งสองอย่างนี่ทำได้ยากนะเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็ชอบท่องเที่ยวและที่สำคัญคือว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นอนัตตา ไม่ใช่ของเราที่จะควบคุมบังคับบัญชาได้แต่ดังนั้นแทนที่จะบังคับจิตไม่ให้คิดหรือว่าบังคับจิตไม่ให้ไปนั่นไปนี่มันมีวิธีหนึ่งนะก็คือว่าเมื่อมันไปก็พามันกลับมาไวๆไปกับไปแล้วก็กลับเป็นของคู่กัน แล้วนี่ก็คืออาการของจิตนะมันไปแล้วก็กลับ่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัติเราก็เน้นเรื่องการบังคับจิตไม่ให้ไปแต่วิธีการปฏิบัติอย่างนี้นก็คือการฝึกจิตให้มันกลับมาไวๆการปฏิบัติที่นี่เนี่ยซึ่งหลวงพ่อเทียนเป็นผู้พาธ ร, รเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อคำเข่งก็เป็นผู้สื่อต่อนี่ ไม่ได้เน้นให้จิตไม่ไปนั่นไปนี่นะแต่เน้นที่การฝึกจิตให้กลับมาไวๆไม่ว่ามันจะไปไหนก็ตามอันนี้มันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการปฏิบัติที่เราคุ้นเคยการปฏิบัติที่เราคุ้นเคยส่วนใหญ่นี่ก็จะเน้นเรื่องการบังคับจิตไม่ให้ไปมีคำบริกรรมเป็นตัวกากับ มีการบังคับจิตหรือเพ่งให้จิตอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและบางทีก็มีการปิดตาให้อยู่นิ่งๆเพื่อให้ใจเนี่ยมันไม่ไปไม่ให้ไปนั่นไปนี่แต่การบูชาของลกวกพ่เทียนนี่อีแบบนึงเลยนะจะไปก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่จะฝึกให้กลับมาไว พะแั้วเนี่ยก็จึงไม่มีการหลับตาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวไม่มีการบังคับจิตอนุญาตให้ไปได้แต่ว่าเราจะฝึกให้กลับมาเวไวๆหลวงพ่ออเขียนท่านพูดเองเลยนะว่าเนี่ยเก่งตรงที่มันกลับมา ความเก่งของการปฏิบัติหรือความก้าวหน้าการปฏิบัติมันวัดตรงที่ว่ากลับมาได้เร็วไหมฉันใช้ว่ามันเก่งตรงที่กลับมาไม่ใช่เก่งตรงที่ไม่ไปนะบางคนนี่ไปวัดกันตรงนั้นว่าจิตฟุ้งมากน้อยแค่ไหนฟุ้งก็คือไปถ้าฟุ้งมากแสดงว่าไม่ก้าวหน้าล้วฟุ้งน้อยหรือไปน้อย จรงีเรียกว่าก้าวหน้าถึงเรียกว่าเก่งนะแต่หลวงพ่อเขียนบอกมันไม่ใช่นะเก่งหร้อไม่เก่งตรงที่ว่ามันกลับมาไวกลับมาเร็วไหมเขาใช้ว่าเก่งตรงที่กลับมาไม่ใช่เก่งตรงที่ไม่ไปนะกลับมาได้ไวไปไม่ว่านะจะให้กลับมาไวๆกลับมาได้พ่อเลยนะ ไม่ได้เพราะสตินั่นแหละเป็นผู้พากลับมาแล้วเนี่ยจะสังเกตการปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีการบังคับจิตนะท่านให้สอนท่านสอนให้ปฏิบัติสบายๆบางีท่านก็ใช้ควาว่าทำเล่นๆไม่มีวิธีการบังคับจิตแต่ให้จิตเนี่ยเข้มแค่มารู้กายรู้อนี้ก็รู้แบบเบาๆไม่ใช่ไปเพ่ง ซึ่งการรู้เบาๆหรือการรู้แบบไม่รู้แบบสบายๆเนี่ยมันก็หมายความว่าจิตเนี่ยมันก็จะเผลอหรือมันก็จะหลุดออกจากกายไปที่กลับไปที่บ้านไปที่บ้านมั่งไปที่ทำงานมั่งบางทีก็ไปถึงโน่นเกาหลีญี่ปุ่ น, นเพราะว่าวางแผนจะไปเที่ยวไม่เป็นไรนะจะขอให้กลับมาไวๆ ให้หลวงพ่อเทือนั้เคยพูดว่าเนี่ยอย่าไปห้ามคิดคืออย่าไปห้ามความคิดให้มันคิดไปเลยนะแต่อย่าไปช่วยมันคิดนะคนละเรื่องนะมันคิดก็คิดไปแต่อย่าไปคิดกับมันหรืออย่าไปช่วยมันคิดอย่าไปห้ามคิดแต่ว่าท่านบอกว่าเนี่ยยิ่งคิดยิ่งรู้พอถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะรู้ว่าเออ ไอาการที่ใจมันคิดเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะเพราะว่าการที่มันเผลอคิดไปเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกหัดให้จิตเนี่ยกลับมารู้ได้ไวยิ่งจิตเนี่ยมันคิดไปโน้นคิดไปนี่มันก็เป็นแบบฝึกหัดให้สติได้ทำงานสติได้ทำงานบ่อย มันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นเหมือนกับนักวิ่งนะที่แรกก็วิ่งได้ช้าคนที่ไม่เคยวิ่งเนี่ยวิ่งใหม่ๆมันช้าแล้วก็วิ่งไม่ได้นานแต่พอวิ่งบ่อยๆวิ่งบ่อยๆมันจะวิ่งได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่ากล้ามเนือได้ใช้งานการที่จิตเนี่ยมันเผลอหรือการที่มันไปนั่นไปนี่เนี่ยนะมันก็เป็นแบบฝึกหัดให้ สติได้ทํางานในการดึงจิตกลับมาจะคิดไปกี่เรื่องกี่ราคิดไปกี่ครั้งไม่เป็นไรนะก็สำคัยอยู่ที่ว่ามันกลับมาไวไ้ะแต่ใหม่ๆมันก็กลับมาช้านะอันนั้นก็ธรรมดาเพราะว่าสติเรายัางงุ่มงามกว่าจะควานหาใจเจอเนี่ยมันก็ไม่รู้ไปไหนแล้ว ใจเนี่ยมันใหม่ใหม่มันก็ไปตเ่เลยนะกว่าสติจะตามหาหาใจให้เจอนี่ก็ใช้เวลานานคิดไปแล้วเดแเรื่อง10เรื่อง20เรื่องเนี่ยสติถึงหาใจเจอหรือหมายความว่าพอคิดไปถึงเจดแปเรื่องสิเรื่องเนี่ยจิต ม, มันถึงกลับมามนั่กลับมาช้าแต่ว่าทําเรื่อยเรื่อยมันจะกลับมาเร็วกลับมาเร็วแลื่ที่มันกลับมาเร็วได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า สติมันได้ฝึกจากความคิดนะจากการเผลอคิดเื่องคือความหลงนั่นเองหลงวงพ่อเขียนท่านบุเสมอนะยิ่งหลงก็ยิ่งรู้นะยิ่งหลงก็ยิ่งรู้ทั้งที่ความหลงกับความรู้นี่มันเป็นสิ่งตรงข้ามกันนะแต่ว่าตัวหลงนี่แหละเป็นอุปกรณ์เป็นวัตถุ ด, ดิบที่ส่งเสริมตัวรู้ได้ เหมือนกับขยะกับดอกไม้นี่โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะขยะนี่เหม็นน่าเกลียดดอกไม้นี่หอมสวยแต่ขยะเนี่ยนะมันสามารถจะส่งเสริมบำรุงให้เกิดดอกไม้ที่งามสวยได้เอาขยะไปทาเป็นปุ๋ยเนะี่ยดอกไม้ก็งามตัวหลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นเหมือนกับปุ๋ยหรือวัตถุ ด, ดิบที่ บำรุงตัวรู้ให้เจริญงอกงามสิ่งที่ดูมันตรงข้ามกันนี่ที่จริงมันก็เกื้อกูลกันนะเหมือนกับเงาเนี่นะเงาหรือร่มเงาของต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะแสงแดดแดดจิ้งแรงนะเงาเนี่ย ของร่มไม้นี่มันก็ยิ่งคล้ำยิ่งดำหรือว่ายิ่งเย็นไม่มีแดด ก, ก็ไม่มีเงามีเงาก็เพราะมีแดดมีขยะจึงมีดอกไม้ในแง่เนี้ยจึงพู ด, ดว่าเป็นเพราะหลงเนี่ยนะ จึงมีรู้เกิดขึ้นนั่นอย่าไปกลัวตัวหลงนะถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่ไปส่งเสริมบำรุงตัวรู้หรือความรู้ตัวหลงคิดก็ทำให้สติแข็งแรงว่องไวปราดเปรียวและพอสติทำงานได้เร็วนะความรู้สึกตัวหรือตัวรู้มันก็จะเติบโตและแข็งแรงเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง สิ่งตรงข้ามกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะความโกรธนะความเศร้านะความเกลียดความเครียดพวกนี้ก็เหมือนกันนะมันเป็นความหลงชนิดหนึ่งแต่ถ้าใช้เป็นเนี่ยมันก็ส่งเสริม สติส่งเสริมปัญญาส่งเสริมความรู้สึกตัวได้เพราะว่ามันสามารถเป็นวัตถุดิบถ้าเราเจริญสติแล้วเราไม่เจอความโกรธเลยไม่เจอความเครียดเลยไม่เจอความเศร้าเลยนี่มันไม่ก้าวหน้านะเราต้องเจอใหม่ๆเนี่ยพอเจอแล้วก็จม จมเข้าไปในอารมณ์นั้นแต่พอเราปฏิบัติบ่อยๆเนี่ยมันจะออกจากอารมณ์นั้นได้เร็วขึ้นเรียกว่ามันกลับมาได้ไวขึ้นหู้จากความโกรธหลุจากความเครียดรู้จากความเศร้าปฏิบัติเก่งไม่ได้แปลว่าไม่โกรธไม่เศร้าไม่เหงาไม่เครียดแต่ปฏิบัติเก่งอยู่ตรงที่ว่ามันกลับมา ได้ไหวไหมอย่างที่หลวงพ่อเขียนพูดว่าเนี่ยมันเก่งตรงที่กลับมากลับมาจากหรือหลุดมาจากความหลงหลุดจากความโกรธความเศร้าแล้วที่มันหลุดมาได้เนี่ยก็เพราะมันได้ฝึกจากของจริงก็คือความโกรธความเศร้าความเกลียดความเครยียดน่อย่าไปรังเกยียจมันนะ อารมณ์พวกนี้ถึงแม้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์แต่นั่นเพราะว่าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นให้เรามองอารมณ์เหล่านี้รวมทั้งความทุกข์นะเหมือนกับช่างปั้นหม้อเนี่ยมองดินมองดินเหนียว ช่างปั้นหม้อเนี่ยไม่ได้มองว่าดินเหนียวคือปัญหาช่างปั้นหม้อมองว่าดินเหนียวคือวัตถุ ด, ดิบที่ใช้ในการปั้นหม้อให้เป็นรูปเป็นร่างและขนาดที่ต้องการใหเราก็ควรจะมองอารมณ์โกรธเศร้าเครียดวิตกกังวลรวมทั้งความทุกข์หรือความหลงว่า มันเป็นเหมือนวัตถุ ด, ดิบนะที่สามารถจะบำรุงเลี้ยงสติปัญญาหรือว่าความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นแม้ว่าหลงกับรู้นี่มันตรงข้ามกันแต่มันก็ส่งเสริมกันได้เหมือนกับแสงแดด ก, กับร่มเงาเหมือนกับปุ๋ยนะกับดอกไม้ ที่จริงกูบาจารย์เนี่ยท่านถึงก็บอกเลยนะว่าวังวนแห่งความทุกข์เนี่ยหรือท่านที่ท่านเรียกว่าตาสงสารเนี่ยมันก็เกื้อกูลต่อพระนิพพานนะมีคำเปรียบเปรยว่าในเตาล้อมเหลวเนี่ยกลางเตาล้อมเหลวเนี่ยคือจุดที่เย็นที่สุดเตาล้อมเหลวนี่ท่านก็ ก็หมายถึงวัตตดสงสารซึ่งเต็มไปมด้วยความทุกข์วัตตดสงสารคือวังวนแห่งความทุกข์แต่นนวัตตดสงสารนั่นแหละนะที่เราจะพบพนิพพานซึ่งเป็นความสงบเย็นทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องมาตรัสรู้ต้องมาเกิดในภพมนุษย์นะ ท, ทั้งที่ก่อนนั้นนั้นเนี่ย พระองค์ก็อยู่บนสวรรค์ฉันดุษิ์เพราะว่าบนนั้นเนี่ยมันไม่มีทุกข์มากพอที่จะทำให้เกิดการตัดสู้ได้แล้วถ้าไม่ตัดสู้ก็จะเข้าถึงนิพพานได้อย่างไรต้องลงมาที่โลกมนุษย์จึงเป็นดินแดนแห่งความทุกข์เป็นวงวนแห่งความทุกข์ ที่ชัดเจนในว่าต่สอสงสารตรงไหนที่มันมีทุกเนะตรงนั้นแหละที่จะเอื้อให้เกิดการจัดสรุหรือการเข้าถึงนิพพานได้ฉะนั้นคนโบราณก็เลยยึงพูดเป็นอุปมาว่าเนี่ยกลางเตาหลอมเหลวเนี่ยคือจุดที่เย็นที่สุดก็คือว่าในว่าต่สอสงสารนั่นแหละที่ จะได้พบหรือเข้าถึงพันธิพาลแล้วว่าตาสงสารในที่นี้ก็หมายถึงวงวันแห่งความทุกข์ซึ่งมันเต็มไปด้วยสิ่งเผ็ดร้อนอพระอรหาร์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เพิ่อแต่บรรลุธทรได้ก็เพราะเจอความทุกข์สูญเสียลูกสูญเสียคนรักหรือว่าบางทีก็เจ็บป่วยอย่างรุนแรงส่วนใหญ่ก็ เจอความทุกข์นะซึ่งสาหัสทีเดียวบางทีก็แม่ก็ถูกลูกทิ้งหรือว่าแม่ต้องเจ็บปวดเพราะลูกแต่ความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันก็กลายเป็นวัตถุดิบนะสหรับการตัดสู้เข้าถึงนิพพาน เพราะเมื่อพิจารณาไข้ควงก็ท่านก็จะพบว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะพัดพรากที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะสูญเสียแต่ทุกเพราะความยึดติดถือมั่นต่างหากอันนี้คือสิ่งที่คนไม่เข้าใจมองไม่เห็นอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าว่ามองสมูทชัททยผิดเนี่ยทางออกจากทุกมันก็ผิดไปด้วย คนเวลามีความทุกข์เนี่ยเมื่อสูญเสียคนรักเนี่ยหรือสูญเสียของรักก็ไปคิดว่าเนี่ยทุกข์เพราะสูญเสียแต่ไม่ใช่หรอกนะที่ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นต่างหากความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปชาเนี่ยคือสมุทัยแห่งทุกข์ถ้าหากว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือว่าวางนะคลายได้ มันก็ไม่ทุกแม้จะยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่พอวางแล้วเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้บอกเป็นความสูญเสียเพราะว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วมันจะเสียได้ยังไงนเสียเกิดขึ้นได้เพราะมีแต่ถ้าไม่มีหรือไปยึดว่ามีมันก็มีคําว่าเสียเพราะนั้นเนี่ยนะ ในเมื่อวัตตาสงสารกันทิพาเนี่ยเกื้อกูลกันบองวเห็นความทุกข์กับความสงบเย็นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันหลงกับรู้เนี่ยมันก็เกื้อกูลกันเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวหลงถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยหลงมันก็เป็นอุปกรณ์หรือวัตถุดเดิบให้เกิดรู้ อย่าไปกลัวการที่ใจมันไปโน่นไปนี่เพราะว่าการที่มันไปก็เป็นโอกาสดีหรือแบบฝึกหัดในการฝึกให้มันกลับมาหลวงพ่องค์คอมเคบิลเนี่ยเก่งที่กลับมามันจะกลับมาได้นเนี่ยมันก็ต้องไปก่อนนะถ้ามันไม่ไปแล้วมันจะกลับมาได้ยังไงแล้วพอเราฝึกจิตให้กลับมาได้ไวๆเพราะมีสติ เวลามันมีอะไรมากระทบแล้วใจมันเผลอหลุดออกไปหรือเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้ากลับมาเร็วเนี่ยมันก็จะสงบได้เร็วสงบไม่ใช่เพราะไม่ไปหรือสงบไม่ใช่เพราะมันอยู่นิ่งหรือว่าสงบเพราะว่าไม่มีความคิดแต่สงบเพราะว่ารู้ทันได้ไว และกลับมาได้เร็วถ้าเราคิดว่าเราจะสงบเพราะไม่มีไม่มีความโกรธไม่มีความเศร้าไม่มีความเครียดไม่มีความวิตกกังวลเลยยากนะปุถุชนเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่พอมันมีแล้วเนี่ยเรารู้ทันได้เร็วใจที่เผลอจมเข้าไปในอารมณ์นั้นหลุดออกมาได้เร็วพอหลุดออกมาได้เร็วนะ ไอ้พวกนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นเพราะความหลงหรือมีตัวหลงหรือความหลงเนี่ยเป็นอาหารบารุงเลี้ยงมันพอจิตกลับมากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวความหลงหายไปไอ้ความทุกข์เหล่านั้นมันก็หายไปด้วยแต่ต่อไปมันจะไม่แค่แค่รู้สึกตัวนะ มันจะรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้พอไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรเลยมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความทุกข์มันมีแต่ทุกแต่ไม่มีผู้ทุกข์ถ้าไม่มีผู้ทุกข์แล้วเนี่ยนะแล้วใครจะทุกข์น่ยนะ และที่ไม่มีผู้ทุกข์ก็เพราะว่ามันเห็นมันรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่เรียว่าเป็นเราเป็นของเราได้ทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นจากการที่มารู้ตัวแล้วรู้ตัวได้เพราะว่ากลับมาได้ไวรู้ชันได้เร็วและที่รู้ชันได้เร็วกลับมาได้ไวเพราะว่ายอมให้มันไปนะเราก็จะอาศัย การที่ใจมันไปนี่แหละนะฝึกให้กลับมาได้ไวๆนะลองทำ ก, ก็จะให้ดีนะที่หลวงพ่อเขียนพูดว่าเนี่ยมันเก่งตรงที่กลับมาไม่ใช่เก่งตรงที่ไม่ไปหรือไม่ใช่เก่งตรงที่นิ่งหรือไล่ความคิด